คั้งนี้ครั้งแรกที่ธรรมาได้มาวัดหนองมะเขือซึ่งญาติโยมอาจจะเคยเห็นหน้าธรรมาช่วงเดินทำญาตาิตาเมื่อเดือนธันวาที่แล้วซึ่งพวกชาวบ้านแถวนี้ก็ต้อนรับค้าธรรมญาตาด้วยความอบอุ่นวันนี้ธรรมมาก็ถือว่ามีเกียรติที่ได้มาแสดงธรรมะเปิดงานการปฏิบัติธรรม ของวัดหนองมะเขือการที่พวกโยมมาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยมีอนิสงสนมากมายมีอนิสงสนแบบถ้าเราเอามาเปรียบกับบุญกิยวัตถุสิบเนี่ยทุกข้อเลยเดี๋ยวพระบาจะแจกแจงอนิีฐสงให้ฟังอย่างข้อที่หนึ่งบุญเกิดจากการให้ทานซึ่งข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากการทำบุญเนี่ยเป็นการ ลดความเห็นกระตัวเป็นการสละกวตันีทีเหนียวการทำบุญไม่ใช่เฉพาะจําจเป็นต้องทํากับพระสงฆ์เท่านั้นเขาสามารถช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากเดือดร้อนหรือไม่แต่สัตว์เขสามารถช่วยได้หมดเพราะจิตที่ที่จะให้เนี่ยจะเป็นจิตทดีกว่าที่จะเอาญาติโยมฟังอาณาพาพูดตามสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้เพราะว่าเพื่อเป็นกันเองอาณาาจะพูดธรรมะกับโยม ก, กับกันเองกันเอง แบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติตอนแรกว่าจะพูดแบบไม่พิอีพิถันแล้วก็จะไม่มีนโมตัะศะจะพูดแบบแต่เพลินเป็นพิธีก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งถือวากันเองก็แล้วกันอธิบายกตัวอย่างให้ฟังมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นในนรกมีวิ ญ, ญญาณอยู่สองตนวุญญาณคนแรกชื่อว่านายกวิญญาณตัวที่สองชื่อว่านายขอ วิ ญ, ญาณสองตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์คือพ้นโทษแล้วโยมบาลก็เรียกตัวมาเพื่อจะให้ไปเกิดแต่ทายมบาบาลมีเงื่อนไขมีสิทธิพิเศษให้สองคนที่เลือกเอาคือให้ไปเกิดเป็นผู้มีสิทธิ์รับของตลอดชีวิตและอีกคนหนึงให้เกิดเป็นผู้ที่ต้องให้ตลอดชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์รับ วิญญาณทั้งสองคนได้ยินต้ง น, นั้นก็แย่งกันวิญญาณไอกรีบสมัครขอสิทธิ์ว่าต้องการเป็นผู้รับตลอดชีวิตวิญญาณไอขอไม่สามารถพูดได้ได้แต่รอฟังคำตัดสิของโรงพยาบาลฝ่ายเดียวโรงพยาบาลก็บอกว่าไอกอต้องการเกิดเป็นผู้รับงั้นเจ้าจงไปเกิดเป็นขอทานก็แล้วกันเพราะขอทานเนี่ย เกิดมารับอย่างเดียวส่วนในขอให้เกิดเป็นลูกเศรษฐีตลอดชีวิตให้บำเพ็ญบุญบรารมีโดยการทำบุญทำทานตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งพอตัดสินจบเนี่ยวิญญาณทั้งสองนี่พูดไม่ออกเลยสรุปแล้ววิญญาณในขอโชคดีกว่าที่ว่าเกิดเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตเกิดเป็นลูกเศรษฐีไงในขอซวยไปแล้วเกิดเป็นลูกขอทานคว ร, รําเพลญทางซึ่งการให้ท่านว่าไว้สวยงามสสถาน 1หให้ของสองธรรมะชนะมารอภัยทานที่สางามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนรับมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของ้อเขาไม่เข้าทีจะเลือกเอาอย่างไหนเลือกเอาเองก็แล้วกันระหว่างเป็นผู้ให้กับผู้รับเพราะว่าการให้ทานเนี่ยสืบนำสุขมาให้แจุดบุ้งหมายก็คือลดความเห็นแก่ตัวอันนี้พวกโยมก็ทำกันอยู่แล้วอันนี้มีนิสงต่อมาข้อที่สอง บุญจะเกิดบุญเกิดจากการรักษาศีลซึ่งข้อนี้ก็สําคัญข้อนี้อาจมาคิดว่าพวกโยมประทางมันอยู่ตอนนี้สิ่งของพวกโยมเนี่ยไม่ได้เปี่ยนแปลงใครไม่ได้ฆ่าศัตร์ตัดชีวิตไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ผิดลูกผิดเมียนคนอื่นไม่ได้ดื่มน้ําเมาขณะนี้ศีลแต่ละคนก็สมบูรณ์ศีลข้อแรกเนี่ยข้อปานาถ้าเกิดเรารักษาไว้เนี่ยจะเป็นหลักประกันชีวิต เราไม่บีบเป็นตนเองไม่ไม่บีดเป็นคนอื่นชีวิตเราก็มีความสุขด้วยเหมือนกับเป็นการหลักประกันชีวิตสิลข้อที่สองข้อนี้ถ้าเรารักษาไว้ไม่รักทรัพย์ไม่ล่วงเกินของลักคนอื่นข้อนี้ก็เหมือนเป็นหลักประกันทรัพย์สินสินข้อที่สถ้ารักษาไว้นะไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นสินข้อนี้ก็เป็นหลักประกันครอบครัวทำให้พ่อครัมีความสุขส่วนสิลข้อที่4เรื่องโกหกถ้าเรารักษาได้ เราก็เป็นคนที่คนเชื่อถือมีเครดิตสิ่งข้อนี้เป็นหลักประการสังคมส่วนสิ่งข้อที่5้าเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ดื่มสุราไม่เสพติ ด, ตดบุหรี่หรือเหล้าเอาใบยงค์หลังต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายซุดโทมถ้าเรารักษาได้สิ่งข้อนี้เป็นหลักประการสุขภาพอ น, นี้คือที่สองการรักษาศีลแล้วมาถึงข้อที่สมบุญเกิดจากการภาวนา ซึ่งตอนนี้พวกโยมก็มาปฏิบัติธรรมเจริญสติปัะฐานแนวหลงูุเทียนอยู่ซึ่งบุญข้อนี้มีนิสสงมากที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะชาวพุทธส่วนมากจะบาแค่ข้อหนึ่งข้ อ, อเท่านั้นจะมาถึงภาวนาที่ยากเพราะการภาวนาเนี่ยจะต้องสวนกระแสกิเลสจะเ้อาต่อสู้นิวรณ์ต้องมีความอดทนมากผลกความง่วงเหงาหงานอนทนความที่เกียดทความฟุ้งซ่าน พลัความลังเลสงสัยซึ่งเป็นเรื่องยากถึงมันจุดจุดนี้อ่ะจะต้องใช้ควอดทนมากปราบอดทนแล้วก็ต้องใช้อิสระที่แก่ก้าถึงจะชนะได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากพวกโยมก็มามาปฏิบัติทำกันแล้วแล้วก็สามารถทําได้ถ้าพวกโยมมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลัวความยากลำบากเพราะที่จะได้นี่สูงมากคือการเจริญสติเนี่ยให้รู้สึกตัวเป็นการที่ทําให้ความคิดช้าลง ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราอยู่อยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งจะลากเราไปทั้งวันแหะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไม่ผ่านก็ไปคิดเรื่องใหม่อีกก็คิดไปคิดมาทั้งวันจิตใจก็ไม่ได้พักผ่อนระหว่างเรื่องที่คิดก็ไม่ได้เรื่องจริงแต่ว่าความคิดหลอกให้เป็นเรื่องจริงสิ่งที่รู้เท่าทดยความคิดก็คือการเจริญสติอย่าพวกโยมมาถามก็ถูกแล้วถ้าเราเจริญสติไประดับหนึ่งเนี่ยเราจะรู้จักความคิด บัคค่าก็สามารถเห็นความคิดได้ถ้าเราทําถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถหลุดออกจากโลกกวางที่ปรุงแต่งได้ฝวามคิดปรุ ง, งแต่งจ้ช้าลงทํางานช้าลงเราเคลื่อนมือไปเราก็มาอยู่ดูฐานกายดเดินไปก็รู้สึกตัวทําอะไรก็รู้สึกตัวฝ่าใบไม้รู้สึกตัวล้างจานถูบ้านเดินเล่นทําอะไรรู้สึกตัวหมดอันนี้จะจะช่วยได้ถ้าทำบ่อยๆสติมันก็เกิด แต่ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ฝึกก็ไม่เป็นอันนี้อยู่ที่ฝ่าเพียนของเราแล้วก็มีที่สมากมาข้อที่สี่บุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่ทำ ง, ง่ายอย่างถ้าเราเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเราเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็รักเราไม่ตายเอนดูเราแต่ถ้าเราเป็นคนยะหงยิงยัโสโอหงังต่อมีความรู้แค่ไหนบางครั้งคนกําลังเกียจเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน เพรคนที่ประพฤตอ่อนล้าสมนเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วตัวรอดครๆพระลัก์อย่างเวลาใส่บาตรพระตอนเช้าเนี่ยพระจะให้พรจัดตะโลธรรมาวชนติอายุวโนสุขขังพลังพรสีปการคืออายุวันนะพระย่มอมเจริญแก่ผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอันนี้มีนิสงมากการพฤตอ่อ น, น้อมสมนเนี่ยแล้วมาข้อที่ห้า บุญเกิดจากการช่วยเหลือขวนขวายบุญข้อนี้บุญข้อนี้จะเป็นบุญนีที่อาบายชอบว่าทําง่ายอย่างพวกโยมาวัดเนี่ยเราก็ช่วยกันฝาดใบไม้ถูศาลาเก็บขยะเจอขัวเจออะไรที่เกะกะเราก็ช่วยกันเก็บไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางรักษาของวัดให้หนึ่งของเราแล้วก็ช่วยงานวัดช่วยกันทําอาหารช่วยการครูเสนาสะนะ จัดที่จะทางเรียบร้อยอันนี้เราไม่ต้องเสียเงินลงทุนเลยเป็นบุญที่ทำง่ายแล้วบุญข้อนี้ทำตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ระดับประเทศมาแล้วอย่างดอนสุเทพเนี่ย ส, สมัยก่อนเนี่ยใครจะขึ้นไปนพะิาศาการพระ่าตเนี่ยลำบากมากเพราะเป็นป่าเป็นเขาไกล ย, ยากเชียงใหม่สิบกิโลเนี่ยพอครูบาศรีวิชัยมา ท่าก็บอกบุญบอกใพวกญาติโยมช่วยกันแต่ละคนก็เกิดศรัทธาก็มาร่วมมือกันสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องมือทานสมัยมีแต่จอบเสียมใช้มือขุดดินให้เป็ น, นถนนทําไม่กี่เดือนตศุเทพก็มีถนนสําเร็จสําเร็จเพราะความสา ม, มัคคีความช่วยเหลือขนฝายของญาติโยมและความศรัทธาบุญข้อนี้เป็นที่ส่งมากแล้วบุญข้อที่6บุญสําเร็จเกิดจากการ เกือแผ่ส่วนบุญคุญข้อเนี้ยวเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพุรุษที่ล่วงลับไปแล้วบุญที่เสด็กุศลให้สรรับปะษัตริ์เจ้ากรรมนายเวรหรือแม่ก็ชักนาคนอื่นให้มาทําบุญร่วมกับเราอันนี้เป็นมีงานที่สูงมา ก, กสมยัยสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเทา้าส ก, ก่าก็ทํามาแล้วตอนนั้นท่านเป็นโยม ก, ก็ให้ค น, นช่วยกระทำบุญสุน ท, ทานสร้างถนนขุดบอ่อสร้างศาลาช่วยคนที่เดือดร้อนลำบากให้หมู่บ้านมีการคามนาคามสะดวกตอนสุดท้า ย, นยคนที่ร่วมทำก็ไปเกิดเป็นสวรรค์หมดและตัวของมคามรุ์หรือก็เกิดเป็นพระอินทร์จนทุกวันนี้เพราะอันนี้สงการชักชวนคนทำความดีนี่เอง บุญข้อนี้ก็มีอันที่สูงมากและบุญข้อที่7บุญเกิดจากการดูโมทนาส่วนบุญข้อนี้ทําง่ายถ้าโยมวางจิตเป็นนะโยมเห็นใครทำความดีโยมก็สาธุเห็นใครทำความดีเนี่ยเห็นใครถวายสังฆทานสาธุเห็นคนใส่บาตรพระสาธุเห็นคนช่วยเหลือผู้อื่นสาธุอันนี้เราได้บุญด้วยนะโดยที่เราไม่ต้อง เป็นผู้ถวายไม่ต้งลงทุนแม่ได้บาทเดียวถ้าโยมทำบ่อยๆจิตใจของโยมจะอ่อนโยมนมีเมตตากรุณาเราจะทําความดีง่ายมากเลยเห็นใครทารออําดีเราสาธุใจอิจฉาแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็หมั่นไส้ได้นะเอ๊ะคนที่ทํางานเอาหน้าหรือเปล่ากลายเป็นบาปอีกคนที่ทําบุญเอาหน้าหรือเปล่าช่วยคนเอาหน้าหรือเปล่ามันจะตรงข้ามเลยนะกุศลอกุศลเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันมันอยู่ที่การวางใจถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยทาอะไรก็เป็นบุญหมด ให้ทำความดีแล้วก็สาธุบุญข้อที่ทําง่ายแต่ไม่เคยมีคนบอกเขาเลยแล้วข้อนี้มีอันที่สูงมากแล้วก็มาบุญข้อที่8บุญเกิดจากการฟังธรรมตอนนี้ญาติโยมนั่งฟังอาณาพาพูดอยู่ซึ่งญาติโยมอยาจจะสงสัยเอ้พระรูปนี้มาจากไหนมาพูดให้เราฟังเนี่ยแล้วก็ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังนะโยมก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าโยมตั้งใจฟังนาะพูดเนี่ยโยมจะได้เคยโยมจะสามารถได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เพราะอัตมาเทพด้วยคนอื่นคือถึงยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยโยอาจจะรู้ชัดยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นไงแล้วก็มีอันที่ส่งข้อที่สามก็คือทําให้หายสงสัยบางเรื่องเราอาจจสงสัยบางเรื่องพอฟังปุ๊บเกิดปิ๊งขึ้นมาเราก็ไม่สงสัยแล้วแล้วก็ทำความเห็นหถูกต้องเพราะถ้าคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ฟังธรรมไม่เรียนธรรมะเนี่ยจะมีความเห็นผิด เห็นค่าเกลื่อจากความเป็นจริงคือเห็นผิดเห็นเห็นผิดเป็นชอบคือจะมองเห็นว่าของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงวันโดยธรรมชาติจิตทุกคนจะไปอย่างนี้แหละอยากจะอยู่โลกนี้นานมองอะไรเที่ยงหมดอหะแล้วก็จะเห็นจะเห็นของของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนอันนี้เป็นเรื่องแบบเห็นของไม่ใช่ตัวกูของกูเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เอากูอันนี้ของกูลูกกูเมียกูหัวกูอะไรกูหมดแหะมันยึดเละจิตเพราะว่าถ้าไม่หลีกธรรมะนะถ้าจริงแล้ว จริงๆแล้วมีแต่ลูกมีแต่ลูป ก, กับนามไม่มีอะไรให้เรายุดได้เลยแต่จิตจิตเราจะหยึดแล้วเราก็จะทุกข์ถ้าเกิดพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือของเรายึดเนี่ยเขาตายไปเขาภาพภาคสูญเสียเขาไม่ได้อยู่อำนาจของเราเลยถ้าเป็นของกูจริงเราเราต้องเราสั่งเขาได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะล้วสั่งไม่ได้มันจริงไม่ใช่ของกูจริงแล้วก็แล้วก็กิเลสเนี่ยตัวนี้นะมันก็บางทีมันทําให้เห็นความ ทุกเป็นความสุขด้วยบางทีคนสามารถกินเหล้าได้ทั้งวันเล่นไพ่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกินข้าวเลยหรือเล่นไฮโลเล่นอมยมไรต่างๆเนะี่ยเพราะว่ามันมีคามเห็นผิดอยู่อาจจะเพลิดเพลินลุ่มหลงแต่จริงเป็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทุกข์ทุกข์เราจะสามารถออกได้ไม่เป็นท่าของมันเรารู้สิ่งที่ทำเนี่ยผิดแต่จิตมันจะหลอก่งหลอกว่าสิ่งนี้คือความสนุกความสุข แล้วมันทำให้เห็นว่าของไม่งามเป็นของงามด้วยเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าผู้หญิงจะเห็นผู้ชายหล่อคนนี้หล่อผู้หญิงก็ผู้ชายก็เห็นผู้หญิงสวยแต่ถ้าเราพิจารณาถึงร่างกายเนี่ยผมขนและฟันหนังความสวยถ้าจะไม่มีเลยลมมเราสมบุญหล่อหนังออกเลยจะเห็นตับใตไส้พุิน้ําเลือดน้าหนองแล้วก็จะหาความน่ารักไม่เจอเลยที่เราสวยกันด้ดีเพราะหนังหนังพุ่มอยู่จะจิดมันหลอกนะ พอพอเรารู้ความจริงปุ๊บเดี่ยวมันก็หลงใหม่เพราะธรรมชาติขอจิตจะเป็นอย่างนั้นเราต้องเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็หลงต่อชีวิตหลงในกายเราบ้างหลงกายคนอื่นบ้างหลงทรัพย์สมบัติยึดหมดอ่ะดังนั้นการฟังธรรมเนี่ยจึงมีอั น, นิ่งสงมากแล้วขณะที่ญาติโยมตั้งใจฟังอาพูดเนี่ยจิตจะผ่องใสขณะนี้กิเลสจะไม่เข้ามาเข้ามาล้กวัว จ, จิตใจแต่ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังเนี่ยกิเลส ก, ก็จะมาจรคิด่งดีไปเรื่อยเปื่อยไม่เกิดประโยชน์จากการฟังแต่ตั้งใจฟังเนี่ยจิต ขณะนี้จิตจะเป็นกุศลอยู่ข้อนี้จะมีน่สงมากอ น, นิสงการฟังธรรมแล้วต่อมาพ้อที่9กบุญเกิดจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมเนี่ยพวกโยมอยากเข้าใจผิดคิดว่าต้องเป็นพระแสดงเท่านั้นแต่นี่ยังไม่ใช่พวกโยมแสดงธรรมได้อย่างพวกแม่ออกพ่อออกเนี่ยเจอญาติโยมมาใหม่ที่ไม่รู้ธรรมะเราก็สามารถชี้แนะก็ได้ว่าปฏิบัติธรรมยังไงเปลี่ยนธรรมะยังไงฝึกยังไง บางคนเนี่ยกำลังอกหักตอนนั้นกําลังจนตอกบืมดมัวคิดอะไรไม่ได้แล้วอยากฆ่าตัวตายบางทีพวกแม่ออกพ่อออกไปพูดเกี้ยกลอมให้เขาเลิกฆ่าตัวใจได้อันนี้คือการแสดงธรรมหรือบางทีเราเจอคนที่อยากระบายถ้าเราไปพูดทำร้ายน้ําใจเขาไม่ฟังเขาอ่ะเขาก็จะเสียใจเกลียดชังทับแคลนแต่ถ้าเรายอมฟังเขาระบายถ้าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้นนเนี่ย ก, ก็คือการแสดงธรรมเหมือนกันนะการแสดงธนะรรมไม่ได้ไหมายว่าต้องพูด ฝักการฟังให้ครูอยู่ระบายปลดปล่อยก็คือการแสดงธรรมอย่างหนึง่งช่วยให้เขาเนี่ยมีสมาธิที่ไปวัดที่ถูกต้องวัดที่ไม่งมงายหาครูบาอาจารย์ให้เขาเนี่ยมีทางสว่างคลียผู้ชี้ทางอันนี้ก็คือคือการแสดงธรรมพ่อแม่สอนลูกให้เป็นคนดีอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันแต่ถ้าพ่อแม่แสดงธรรมไม่เป็นเนี่ยลูกก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่มีกุสโลบายในการพูดประโยชน์ก็ไม่มี บางทีพ่อแม่สอนลูกไปได้เลยพราะไม่จะสอนอยังไงถ้าเราสอนเป็นลูกเราก็เป็นคนดีเราก็มีความสุขอันนี้คืออันนี้สงการแสดงธรรมพระก็เหมือนกันพระถ้าพูดเน้นบาลีมากไปโยงกระฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ปัจจุบันประโยชน์ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะบางทีเราไม่ได้พูดจากความรู้สึกเพราะว่าถ้าพูดจากความรู้สึกเนี่ยโยงจะสื่อได้เหมือแนบบเราร่วมเดินทางเดียวกันต่อกันติดบางทีพระพูดเรื่องทุกสูพูดเรื่องนิพพานโยงฟังแล้วโยองก็มึน คือเหมือนกับว่าเราเราอยู่กับคนละพิธีคุยกันเรื่องหรือพระพูดเรื่องภาษาบาลีเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนอินเดียเราก็ฟังเรื่องเหมือนกันภาษายากอันนีพรุทธมหาโยฟังเนี่ยเรามาจะเน้นภาษาไทยสื่อกัโยมเหมือนกับว่าเราร่วมเดินทางด้วยกันให้โยฟังรู้เรื่องแล้วเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วมาข้อที่10ข้อที่สําคัญบุญเกิดจากการทาความเห็นให้ถูกต้องการทําความเห็นถูกต้องเนี่ยเป็นสมาธิจิต ถ้าเป็นรถไฟก็เปียบเป็นหัวขบวน ล, ลากเอาความเห็นถูกมาหมดแต่ถ้าเกิดเราเห็นผิดเนี่ยมันก็ผิดทั้งขบวนเหมือนกันข้อที่สําคัญมากความเห็นถูกก็คือวางใจให้เป็นเวลาเจอลมกระทบบางครั้งพวกโยมเนี่ยอาจจะโดนคนล่วงเกินโดนดินทาถูกใส่ร้ายถูกคนเข้าใจผิดแต่ถ้าโยมเข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยโยมก็จะ รู้สึกก็ฟังหูซ้ายถึงหูขวาหรือคิดแล้วไม่ติดไม่ติดอารมณ์ก็ได้แต่ถ้าโยมไม่รู้เรื่องตัวนี้นะโยมก็เฮ้ยมึงมาว่ากูทําไมหรือหรือแม่ก็ไปทอ่อเขาอีกคลายไปเติบเชื้อเพิงเข้าไปเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงอารมณ์ที่กระทบอารมณ์กระทบที่สําคัญมากขึ้นอยู่กับการวางใจอันนี้จะเล่าเล่าเรื่องให้โยมฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิด ข, ขึ้นที่จังหวัดอุดรเกิดขึ้นนานแล้ว มีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงปูดงป่ดีเนาะหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยเป็นพระที่มีความสุขคือท่านจะเป็นคนที่บอกโลกในแง่าดีคือใครอะไรถ้าก็ดีเนาะหมดท่านจะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ทาให้ท่านทุกข์เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งญาติโยมมานี่โบส์ท่านเปรตซึ่งบ้านกับที่วัดของท่านเนี่ยก็อยู่ไกลๆพอสมควรท่านก็รอเอ๊ะเมื่อไหร่โยมจะมารับบ้างทีตอนนั้น โยมไม่ยอมไม่มาท่านก็ตอนแรกตั้งใจจะไปฉันอาหารที่บ้านโยมไงโยมไม่มาเอาท่านก็คิดว่าอย่างนี้เราฉันอาหารบินเ บ, บาต์ของเราดีเนาะก็เลยฉันอาหารพอฉันอาหารได้พักหนึ่งญาติโยมโยมที่มานิมนต์ดันมาหลวงปู่ดีเนาะฉันไม่ได้สอ ง, องคําท่านก็เปลียนใจแล้วเราไปฉันบ้านงานดีดีกว่าเนาะว่าแล้วก็เริ่มฉันหลวงปู่ว่ขึ้นรถไปกับลูกศิษย์ พอรถวิ่สักพักนึงไอ้รถเจ้าเ ก, ก่าก็ดันเสียต้องจอดซ่อมอีกหลวงปู่หลวงปูก่ก็บอกก็ดีเนาะเราจะได้นั่งชมชมวิวข้างทางคนขับมันก็ป้้มซ่อมรถจนติดจนแบบว่าไปมาก็เลยไม่มีทางเลือกบอกหลวงปู่ช่วยเข็นด้วยหลวงปูด่ดี่ดอแก่แล้วหลวงปูด่ดี่ดอไม่มีทางเลือกก็เลยช่วยช่วยคนขับรถเข็นรถหลวงปู่ก็คิดใจใจ ก, ก็ก็ดีเนาะ เราจดออกกอลังกายเพราเราแก่แล้วเราเข็อยู่รถติดเพราะกดรถไปบ้านงานเลยเพนเลยเที่ยง<ม>อ่ะคือพานี่ฉันอาหารหลับเพนไม่ได้หลวงปู่ที่นอ ก, ก็เลยอดฉันเลยไปถึงก็เขาทิ่มโนให้เทศพิธมาเทศหลวง ป, ปู่ก็ร้องเทศหลวง ป, ปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทํางานทันทีลูกศิษย์ที่ร้อนใหญ่มากรีบรงน้นําปานะมาถวายหลวงปู่ก็ชงกาแฟ ด้วยฝามที่รีบร้อนหยิบกระปุกผิดไปหยิบกระปุกเกลือใส่แทนที่จะหยิบน้าตาลใส่หลวงปู่ก็ฉันกาแฟเค็มๆเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรก็ดีเนาะแต่ตามหลักว่าหลวงปู่ดีเนาะได้เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดอุดรพวกลูกศิษย์เนี่ยไม่จะขอของที่หลวงปู่ทิ้งแล้วยิ่งถ้า เปกาฟแฟเนี่ยหลวงปู่กินได้ครึ่งแก้วเหลวครึ่งแก้วลูกศิษย์ถือว่าถ้าการกินของครูบาอาจารย์จะเป็นมงคลก็เลยเข้ามาขอลาหลวงกาแฟหลวงปู่ทานพอทานปุ๊บ ก, ก็พ่นพวดออกเลยแล้วบอกหลวงปู่ฉันก็ได้ไงเนี่ยเข็มปีปี๋หลวงปู่ก็บอกว่าฉันกาแฟหวานหวานมามากแล้วลองฉันกาแฟกินเค็มดูบ้างก็ดีเนาะซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มมองเห็นว่าชีวิตหลวงปู่มีความสุขพอดีเนาะหมด หรือถ้าไม่ได้บอกโลกในแง่้ายเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งด้วยความที่หลวงปู่เนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดังมันก็มีโจรเนี่ยมาเล่ๆอยู่ที่ว่าหลวงปู่มีทรัสมบัติมากวันหนึ่งที่หลวงปู่ขณที่หลวงปู่สวดมนต์ไหว้พระเสร็จโจรก็ย่องเข้ามาถือปืนมาถึงก็ขู่หลวงปู่เลยบอกหลวงปู่หยุดนะนี่คือการปล้นหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะค่าจะได้ ไม่ต้องมาเฝ้าทรัพย์สมบัติเบื่อเต็มทีแล้วของมูลนี้เฝ้ามานานโจนมันก็บอกว่าฆ่าไม่ใช่ป้นอย่างเดียวนะจะฆ่าหรอฆ่าด้วยเพื่อปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะเราก็แก่แล้วสังขารก็เสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกวัน อ, อยู่ไปทําไมก็ดีเนาะดีเนาะโจนมันก็สงสัยเอ๊ะหลวงปู่นี่จะป้นก็ดีเนะาะจะฆ่าก็ดีเนาะ มันก็เปลี่ยนใจนะโจนก็บอกอย่างนี้ผมไม่ไฆ่าหลวงปู่ก็ได้จะป่วนอย่างเดียวผมไม่เคยเจอคนแบบนี้คือหลวงปู่ยิ้มมาโจนนะไม่ได้หวั่นวันพิ่ตงหรือเสื้อทกฐา น, นอย่างใดแล้วหลวงปู่เขบอกว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจโจนมันก็สงสยัยอะไรฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีหลวงปู่จะเอาไงกับผมเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่านะตำรวจก็ต้องตามจับเองหรือไม่ก็เองก็โดนตำรวจฆ่า เองถ้าเองตายไปเนี่ยเองก็ตกรตะลกหมกใบอกีกใช้กรรมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดดงนั้นการที่เองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ยก็ดีเนาะโจรมันตอนนี้มึนหมดแล้วโจรก็เลยบอกถ้างั้นผมไม่ปล้นหลวงปู่แล้วผมก็ไม่ฆ่าหลวงปู่ด้วยแล้วก็กราบหลวงปู่อาจารย์พอตอนหลังเนี่ยโจรคนนี้ก็โดนบวชจับพอพ้นโทษมาก็มาบวชกับหลวงปู่เป็นคนดีกลับด้วกับตัวเพราะหลวงปู่ให้โอกาส เพ ก, การที่บอกโลกในแง่ดีไม่ต่อตา้านถ้าไปลองคนเนี่ยจะต้องขัดขืนเจ้าทรัพนะย์นะคนละโปนเหนือเผอสู้โจรด้วยทั้งที่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราหรอกเป็นของโลกที่จริงสมบัติของโลกของเราเองไม่มีหรอกที่จริงเนี่ยโลกก็เรายืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราตายไปเนี่ยเราก็ต้องคืนโลกทั้งหมดอะ่ะในใ น, ในอันมาฆ้าฆ้าฆ้าท้าได้ไม่มีใครเอาสมบัติจากโลกไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้จะรวยขนาดไหน แล้วคนเราทุกคนต้องตายทุกคนด้วยเพราะเราอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยโลกเปลี่ยนเป็นโลกโรงแรมให้พักชั่วคราวเราอยู่ได้เพราะอาศัยบุญกระบาบพอเราบ่นค่าเชา่าคือบุญกระบาบเนี่ยโลกก็ไม่ให้เราอยู่แนละ้วโลกเปลี่ยนเป็นโรงแรมเพราะอะไรเราออกเช็คอินเช็คเช็คเอางั้นเราก็ต้องเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบุญเนี่ยไม่ละหมายในชีวิตพเพราะโดยธรรมชาติแล้วนะคนเราเนี่ย อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งห้าสิ่งคือหนึ่งเราที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะอายุเท่าไหร่ยมยมลองตองตามที่อามาพูดนะเพราะว่าอาาพูดจะเป็นเหตุผลแบบไม่มีใครมีหลัปากประกันว่าเราจะอยู่อายุถึงเท่าไหร่บางคนตายได้อย่างเด็กบางคนเก้าสิบยังไม่ตายเลยเป็นร้อยก็มีไม่มีหลัปากประกันข้อนี้ไปสีกําหนดไม่ได้ข้อที่สอง ความเจ็บไข้ข้อนี้กําหนดไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้เราสุขภาพดีพรุ่งนี้อาจจะป่วยเรี่ยงเกิดอบุบัติเหตุข้าโรงยาบาลก็ได้ไม่มีหลักประกันข้อนี้เราเห็นหน้ากันแบบแบบพรุ่งนี้อาจจะอายวุวะไม่ครบสามสองก็ได้นั้นขนาดมีชีวิตอยู่ต้องไม่อะหมาดข้อนี้ข้อที่สเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ข้อนี้สําคัญเพราะว่าความตายเนี่ยไปอยู่ใกล้ตัวเรามากมัจุร่าเนี่ย ม, มีเสนามากสามารถทําให้คนเราเนี่ยตายได้ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอะไรตายที่ไหนตายที่ไหนตายเวลาใดไม่รู้อาจจะตายตายต่างประเทศตายในน้ําตายตายบนบกตายภูเขาตายในป่าตายในถ้ำตายตรงไหนก็ได้เรากำหนดไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีกรรมเป็นของตัวเองขณะทตายเนี่ยถ้าเกิดจิตเราไปผู้ศนเนี่ยเราก็ไปสู่สุคติ แต่เราขณะตายเนี่ยจิตไปคิดเราไม่ดีขึ้นมาเรื่องเดียวเนี่ยเราก็ไปทุกวิถีได้เพราะบุญกุศลเนี่ยเปรียบเหมือนเปรียบเ ป, เปรียบเหมือนเรือบาปเปรียบ เ, เหมือกนก้อนหินเรือสามารถบรรทุกก้อนหินได้มากมายถ้าจิตเราคิดดีก่อนตายนะแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นคิดไม่ดีก่อนตายเนี่ยบาปมือนก้อนหินก้อนนิดเดียวโยนลงน้ําก็จมละอยู่อันตรายมากไอ้พวกโยมก็ต้องทําความดีบ่อยๆคิดถึงเรื่องดีๆไว้มากๆ ก็จะได้สร้างความเคยชินเกิดตายขึ้นมาจะนึกถึงได้บางคนเน่ยฆ่าตัดตัดชีวิตได้มากเลยคิดถึงแต่ปลาที่ฆ่าคิดถึงแต่หอยหอยอาทีเขาไปให้สัให้ท่องสัมมาเอาหังไปท่องสัมมาเอาเราหอยก็มีเพราะจิตมันมันชินอะสิ่งที่ทําได้คือต้องต้องฝึกฝึกฝึกไว้บ่อยไหว้พระสวดมนต์แล้วก็น้อมนําจิตไปไปไปทางที่ดีอันนี้ช่วยได้แล้วก็เราก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาความใจอยู่เรื่อยเรื่อง เกิดคามตายขึ้นมาจริงเราจะได้มีความเสื่อมไม่ขัดแยง้งยอมรับได้แล้วก็ปล่อยวางในชีวิตประจาวันเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเงินหายอะเรารับได้เลยเวลาของเสียเสียของอะไรพวกเนี้ยของรักอะถ้าเราวางใจได้ก็โอเคตอนตายก็ปล่อยวางเริ่มเป็นแล้วก็ต้องที่สำคัญที่สุดคือพวกโยมกาลังทางอยู่ตอนนี้คือฝึกสติในชีวิตประจาวันคือฝึกฝารู้สึกตัว ที่สำคัญว่าตอนตายเนี่ยสติจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนข้างนอกเป็นเพื่อนปลอมๆนะสติเป็นเพื่อนแท้ถ้า เ, เรามีสติเราก็ทำปัญหาให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กได้เราจะมีเพื่อนแท้สามารถสามารถอยู่กับเราตลอดไปแต่เราไม่มีสติเราก็จะคิดไปต่างๆนาน า, นาไม่มีที่พึ่งนั้นพวกญาติโยมก็ปฏิบัติธรรมก็แล้วกัน จะได้มีที่พึ่งอัตมาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็ไม่ดูในนิการนะเพราะว่าในการลงขางน่าไม่มีพูดเล่นเปลือยพยายามจะพูดประโยชเก็บประโยชน์ที่มากที่สุดเพราะว่า น, นานๆแบบพูดครั้งแรกก็เดี๋ยวท่องกรพัทกาลประโยชฟัง ก, น, กนเองปิดท้ายรกรพัทกาลนี้แต่งโดยหลวงพ่อพุทธทาซึ่งก็มีประโยชน์กับชีวิตประจําวันสิ่งร่วงแล้วแล้วไปอย่าใฝ่หาที่ยังไม่มาก็อย่าหึง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 ผัดหรือปัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทางที่พาราตีแข็งขยันนัน่นแหละผู้พัทเทกรัฐอันสัตตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยก็ขอขอความสุขความเจริญถาจงมีญาติโยมทุกท่านขอจบแค่นี้